เราเดินทางยิ่งเป็นยิ่งมีจุดหมายปลายทางที่ไกลเท่าไหร่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้เส้นทางแต่ว่ารู้เส้นทางอยางเดียวไม่พอนะต้องรู้ตัวด้วยรู้ทางแต่ไม่รู้ตัว ก็อาจจะไม่ถึงนะเช่นบางคนขับรถแล้วก็เกิดหลับในหลับในก็เกิดอุบัติเหตุนะไม่ถึงเป้าหมายทางลังที่รู้ว่าจะใช้ทางเส้นไหนถนนเส้นไหนแต่มันไปไม่ถึงซะละบางคนไม่หลับไม่ได้หลับในแต่ว่าเมานะ เมาเนี่ก็ลถอาจจะแหกโคง้งหรือว่าไปนชนใครสักคนก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางหลับในก็ดีเมาไม้ก็ดีนี่ก็เป็นความลืมตัวหมดแล้วไม่มีความรู้ตัวจะไม่ใช่แค่นั้นนะถึงแม้ไม่เมาไม่หลับในแต่ว่า เกิดมีรถปาดหน้าโกรธนะอย่าไปอยากจะไปแก้แค้นอยากจะไปเอาคืนก็วิ่งตามไนะล่รถคันนั้นนะเพื่อจะปาดคืนจนกระทั่งออกนอกเส้นทางไปอันนี้ก็ไม่ถึงเหมือนกันนะความโกรธมันก็ทำให้ลืมตัว ลืมไปว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงนี่คืออะไรมันคิดแต่จะไปแก้แค้นคิดแต่จะไปเอาคืนแล้วก็เผลอๆปาดกันเสร็จก็ทะเลาะกันลงจากรถมาทะเลาะกันด่ากันหรือว่าทำลายกันก็แทนที่จะถึงเป้าหมายก็ อาจจะไปโรงพยาบาลหรือว่ากลายเป็นศพไปมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราลืมตัวไม่สามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อาจจะเป็นสิ่งที่ยั่วยุยั่วยาวให้เราแวะพักกลางทางหรือแวะพัระหว่างทางแต่ไม่ใช่แวะพักอย่างเดียวอาจจ ะ, ะเพลิดเพลินนะไปกับ สิ่งที่อยู่สองข้างทางอาจจะเป็นความสนุกสนานบันเทิงเที่ยวห้างหรือว่ามีอบอนพนันที่ดึงดูดใจให้เขาไปเล่นจนลืมตัวลืมไปว่ากำลังเดินทางเพื่อไปถึงจุดหมายนันการรู้ตัวนี้สำคัญมากนะ ตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างคนที่ลืมตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะหลับไม่รู้ตัวเพราะเมาไม่รู้ตัวเพราะโกรธไม่รู้ตัวเพราะโลภหรือว่าหลงไหลการดำเนินชื่อก็เหมือนกันนะชื่อก็คือการเดินทางเราแม้เราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ว่า มีเป้าหมายที่จัดเจนแล้วก็รวมทั้งรู้เส้นทางด้วยนะว่าทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นคืออะไรแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเสักอย่างนะมันก็ไม่ถึงเป้าหมายความรู้ตัวเนี่ยมันมีหลายระดับนะไม่ใช่เพียงแค่ว่า เห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือเราไม่ใช่ใครอื่นมันยังหลหงในการที่เราเนี่ยรู้ ว, ว่าตัวเองต้องการอะไรอยู่ไปเพื่ออะไรอันนี้เรียกว่ารู้จักตัวเองอคนจำนวนมากนี่ไม่รู้จักตัวเองนะแม้ว่าจะ ทำอะไ ร, ะไรต่ออะไรมากมายหรือประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าสุดท้ายปลายทางก็ไม่รวดตัวเองเป็นใครมีพระราชาองค์หนึ่งนะในอินเดียนะชื่ออารังเซปเป็นกษัตริย์ที่เรืองอำนาจมากประมาณศตวรรษที่สนะิบเจ็ด เขาได้อำนามาจากการยึดอํานาจจากพ่อพ่อก็คือชาชานก็คือผู้สร้างทัชมาฮานพวกเรานีทุกคนก็คงได้ยินชื่อนะทัชมาฮานชาชานมีคนสร้างแต่ว่าถูกลูกนะยึดอํานาจจาับพ่อไปขังไว้แล้วก็ตายในคุกเหมือนกับพระเจ้าชาตัตรูทำกับพระเจ้าพินพิสารเอาลังเส้นนี้ก็ยิ่งใหญ่มาก ทาสงครามแผ่อาณาจักรจนกระทั่งจากรวัติโมกุลนี่มันยิ่งใหญ่ใหญ่โตมีประชากรอยู่ในอำนาจถึงร้อยล้านคน1ึนในสี่ของโลกใช่ไหมนะ1ึ่งในสี่ของโลกทีเดียวตอนนั้นประชากรโลมก็ไม่ได้มากอะไรหนึ่งในสี่ของประชากรโลกอยู่ในมือของอารังเซ็ ร่ำรวยมาหาศาลเพราะว่ายึดเหมืองเพชรได้แล้กวก็เป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตเท่าที่รุตุชนแบบโลกโลกนีจะปรารถนาแต่ว่าตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็าลํำพึงขึ้นมากับลูกเขาเนี่ยว่าฉันมาแล้วฉันก็ไปเหมือนคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครและฉันกำลังทำอะไรอยู่ ประสบความสำเร็จนะจกนกระทั่งเกิดจะตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะและกำลังทำอะไรอยู่อันนี้เรียกว่าเกิดมาทั้งชีวิตนี้ไม่รู้จักตัวเองเลยแลวคนแบบนี้ก็มีเยอะนะเคยได้อ่านบันทึกของประธานาธิบดีมาคอสแห่งฟิลิปปินส์ คนนี้ก็เรื่องอำนาจมากสมัยที่เขาเป็นประธานอาธิบดีเป็นประเอกการเขาเขีย <Okay, S 1> นมาทึกว่าเนี่ยฉันเป็นผู้ฉันนี่มีอำนาจสูงสุดในฟิลิปปินส์แล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีภรรยาที่น่ารักมีครอบครัวที่ดี เรามีทุกอย่างที่ต้องการแต่ฉันก็ยังไม่พบความพึงพอใจในชีวิตมีทุกอย่างเท่าที่มนุษย์จะสามารถมีได้แต่ก็ไม่พบความสุขเราไม่รู้ตัวเองไม่พบว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่หายไปรู้แต่ว่ามันไม่มีความสุขอะมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไป ทั้งสองคนนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาขาดหายไปอย่างนึงคือความสงบสุขความสงบใจนะที่มอคคอร์สบอเขามีทุกอย่างที่จริงก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเขาขาดไปอย่างคือความสงบใจซึ่งอำนาจหรือว่าทรัพย์สินเงินทองไม่สามารถจะให้สิ่งนี้กับเขาได้ บางครั้งการที่จะเจอสิ่งนี้เนี่ยอยาจจะต้องสละต้องวางอาามนานและทรัพย์สินเงินทองด้วยซ้ําอย่างพระเจ้าพัิยานะพระเจ้าพัิยานี่ก็เป็นพระราชาองค์หนึ่งของแคว้นศักยะเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัทนะหลังจากที่ตัดสินได้ไม่นานเนี่ยก็มีพระญาติจําจนวนหนึ่งออกบวช มีพระอานนทนะ์พระเทวทัตแล้วก็พระพัฏิยาด้วยพระพัฏิญีจริงก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะ บ, บวชนะแต่ว่ารับปากนะกับพระอนุรุท ธ, ธะซึ่งเป็นเพื่อนว่าจะบวชนะจะบวชไปด้วยกันก็คงคิดว่าจะศึกได้ซ้ำเมื่อถึงเวลาสักระยะหนึ่งแต่ปรากฏว่าบวชได้ไม่นานก็ก็พบนะพบธรรมะ วันหนึ่งก็นั่งอยู่ผููเดียวแล้วก็ปารกขึ้นมาว่าสุกหนอสุกหนอสุกหนอสุกหนามีพระมีเพื่อนพระได้ยินก็ไปกราบทูลพระ เ, เจ้าทํานองว่าสงสัยจะนึกถึงตอนที่เป็นกษัตริย์อยู่กุมังอาจจะคงจะคลายความเพียแล้วอยากจะกลับไปหาอาณาจักรชีวิตทางโลก พระเจ้าก็เลยเรียกพระปธิยะมาแล้วก็ถามว่าจริงไหมที่พูดเช่นนั้นพระปธิยะก็ตอบว่าจริงแล้วทําไมถึงพูดอย่างนั้นพระปธิยะก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าย้อนเราเลิกถึงสมัยที่ เ, เป็นเป็นใหญ่มีอำนาจนี่แม้ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยความกลัวความบาดระแบงไปที่ไหนก็ต้องมีพระราชบริพารมีองครักษ เนะพราะกลัวถูกทำร้ายแต่ว่าพอมาบวชนี่ทั้งที่ฉันข้าวมือเดียว น, ะนอนใต้ต้นไม้ไม่มีผู้ใครคอยผู้ใดคอยปกป้องจะกลับมีความสุขอย่างยิ่งที่มีความสุขเพราะว่าท่านได้บรรลุธรรมแล้วนกะ็เรียกว่าไม่มีความลังเลสงสัยนะในชีวิต รู้เห็นรู้จักตัวเองอย่างแจ่มแจ้งก็เลยมีความสุขอย่างยิ่งทั้งที่มีแค่อรรัฐบริขารแปดมีบาตรมีจีวรผ้าสามผืนซึ่งแตกต่างกับตอนที่เป็นกษัตริย์มากอันนี้เห็นความแตกต่า ง, งระหว่างคนที่ค้นพบตัวเองกับคนที่มีทุกอย่างแต่ไม่รู้ตัวเองเป็นใคร การรู้จักตัวเองนี่ลึกไปก่อนน้นก็คือการที่ได้ได้รู้ได้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจถ้าจะว่าไปแล้วนี่มันมันมันใกล้ามากเลยนะไม่มีอะไรที่ใกล้ตัวเราเท่ากับใจคนหนึ่งก็ยังถือว่าไกลนะใจนี่มันใกล้แสในใกล้ ังสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเช่นความคิดและอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยสามารถจะรับรู้รู้ทันได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกลับไม่รู้คนสมัยนี้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าขณะนี้ตัวยังรู้สึกอะไรรู้สึกอย่างไรต้อมีนอกจิตวิญา ชาวอเมริกันคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเด็กนิคนอเมริกันจำนวนมากเนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังรู้สึกอะไรอยู่ที่จริงอยะาว่าแต่ความรู้สึกเลยนะแม้กระทั่งความคิดว่ากำลังคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้โดยสัมทั้งที่ความคิดเป็นสิ่งที่มันเกิดจากจิตใจของเราเกิดจากความตั้งใจของเราแต่คิดไปคิดไป มันกลับอยู่นอกเหนืออำนาจของเรามันคิดไปเองโดยไม่ตั้งใจแล้วก็คุมไม่ได้นี่เกิดเพราะว่าทำไมนะผู้คนยังนอนไม่หลับ ท, ทั้งที่อยากจะหลับเต็มประดาแต่หลับไม่ได้เพราะความคิดมันกระ เ, เ, เจิงกรนะเจิงเราจำเป็นมากที่จะต้องรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะพาเข้ารกเข้าพงไม่สามารถจะพาไปถึงไม่สามารถจะดำเนินถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตได้สติเนี่ยมันสำคัญมากนะมันทำให้เรารู้ทันอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจ เมือ่อใดก็ตามที่ใจไหลไปอดีตลอยไปอนาคตหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์สติช่วยทําให้ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็จะพาจิตดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นเกิดความรู้ตัวแล้วก็รู้ว่ากําลังรู้ว่าจะทําอะไรต่อไป สามารถที่จะทำให้ถึงเป้าหมายได้พวกเราทุกคนนี่ก็ล้วนแต่มีวิชาชีพนะสำหรับเลี้ยงตัวเองแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นต้องมีอีกอย่างนึงคือว่าวิชานี้แหละวิชาชีวิตมีวิชาชีพแล้วแต่ไม่มีวิชาชีวิตนี่ก็ อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะหรือถึงประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่พบกับสิ่งที่ชีวิตต้องการอย่างแท้จริงอย่างตัวอย่างที่เล่ามาการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวหรือการรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องมันเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งที่สําคัญมากไม่ว่าเราจะทําอะไรขับรถ เราก็ต้องอาศัยสติเราต้องมีความรู้ตัวเวลาเราทํางานอยู่ในห้องประชุมเราจะประชุมให้ได้เรื่องให้ได้ราวก็ต้องมีสติต้องมีความรู้ตัวพอไ่งานก็อาจจะโกรธโมโหเวลาถูกวิจารณ์เราก็ตอบโต้กลับไปเพอเอที่ประชุมก็ล่มเอาง่ายๆนะเพราะว่าทะเลาะเบาแหวงกัน นี่เป็นไปเพราะเป็นไปเพราะความไม่รู้ตัวทั้งนั้นนะอทีบ้านเมืองชะงักงันกันเป็นหลายเดือนหลายปีก็เพราะผู้คนไม่น้อยนี่เรียว่าไม่รู้ตัวจมอยู่ในอารมณ์อยู่ในความโกรธความเกลียดขาดสตินะพร้อมที่จะเผาบ้านตัวเองเพื่อได้ใช้ชนะนะหรือเมือ่อคนที่ขับรถ สวนทางอยู่ในเลนเดียวกันถ้าไม่หยุดก็ต้องประสานงานกันไม่ประสานงานนะประสานงาแต่ต่างคนก็ไม่ยอมเพราะบอกว่าตัวเองถูกอีกฝ่ายผิดฉันขับถูกเลนและอีกฝ่ายนี้มันขับผิดเลนให้ความ ร่มหลงยึดติดกับความถูกต้องนี่มันก็ทำให้ลืมตัวนะลืมตัวไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังจะปะทะ ก, กันละก็พร้อมที่จะ ป, ปะทะพร้อมที่จะ ป, ประสานงากันถ้าความลืมตัวความไม่รู้ตัวนี่มันมาในหลายรูปแบบมากรวมทั้งมาเพราะความยึดติดถือมั่นในความถูกต้องของตัว เวลาเราทำอะไรเนี่ยไม่ว่าจะจะทำมาหากินจะขับรถจะดำเนินชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยความรู้ตัวความมีสติสำคัญมากสติและความรู้ตัวเนี่ยมันช่วยทำให้เราปล่อยวางนะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจพอะรุจจจดว่า อันตรายมี2 อ, อย่างอันตรายที่ปรากฏและอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปกปิดก็คือความโลภความโกรธความถือตัวนะความอิจฉาลิสยาเทั้งหมดนี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจซึ่งบีบคั้นใจให้เป็นทุกข์และสามารถที่จะไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ได้แต่ก่อนที่จะไปทำให้ใครเป็นทุกข์เนี่ยมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก่อน อันตรายปกปิดเข้ามาเล่นงานชีวิตจิตใจได้เพราะว่าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาใจแล้วก็เลยไม่รู้ตัวนะปล่อยให้มันครอบงําใจเมื่อคนเราไม่รู้ตัวไม่มีสติมก็แบกอะไรต่ออะไรไปมากมายเสร็จแล้วก็ทุกข์เพราะสิ่งที่แบกทุกข์เพราะสิ่งที่ยึดเอาไว้ อาจจะเหมือนกับตึกนะที่สร้างเพิ่มชั้นแล้วชั้นเล่าเพิ่มชั้นแล้วชั้นเล่าจนกระทั่งฐานรากมันรับไม่ไหวมันก็พังคลืนนะอย่างตึกรอยัลพลาซ่านะที่พังคลืนไปเมื่อยี่เอปีที่แล้วหรือเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อ น, นตึกเพื่อสร้างใหม่หกชั้นก็พังคลืน่นรอยัลพลาซ่านมันพังเพราะว่าต่อเติม ต่อเติมแล้วต่อเติมมีจกนกระทั่งฐานมันรับไม่ไห ว, วคนเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะเพราะว่าเราแบกสิ่งต่างๆแบกแล้วแบกอีกไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีทั้งเรื่องที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วก็ไม่วางทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปรุงแต่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาก็แบกเอาไว้และสิ่งที่แบกนั่นแหละที่มันทำร้ายจิตใจ มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงยังมีพระชนอยู่นะอันนี้เป็นสังฆราชมืสักห้าสิหกสิบปีที่แล้วเนี่ยเป็นอุปราชของในหลวงองค์ปัจจุบันวันนึงก็มีนายทหารคนหนึ่งมาเฝ้าสมัยก่อนเฝ้าสังฆรานี่ง่ายนะ น, นาวาเอกคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์คงเคยบวชกับอ่าสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้มาก่อนสีหน้าไม่สู้ดี พงศ์ก็ถามว่าเป็นยังไงก็บอกว่าหนักครับมันทนไม่ไหวอยู่แล้วพงศ์ก็เลยถามามันเป็นยังไงเหรอแกก็เล่าให้ฟังนะพรรณนาถึงปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหางานการปัญหาส่วนตัวเยอะแยะไปหมดระบายประมาณครึ่งชั่วโมงได้นพงศ์ก็นั่งฟังนะ นั่งฟังก็ไม่ไม่ไม่ไม่ซักไม่สอนอะไรทั้งสิน้นฟังจนเขาพูดจบแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ทำอะไรสักอย่างนะคุกเขา่าแบมือทั้งสองข้างแล้วพระองค์ก็ไปหยิบเอาเศษกระดาษวางไว้บนมือบนฝ่ามือของเขาอะ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าขยับหรือไปไหนนะ รอฉันให้กลับมาเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในสักหน่อยแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในตำหนักห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วยี่สิบนาทีแล้วก็ยังไม่เสด็จออกมาส่วนนายทานคนนั้นเนี่ยพออยู่ในท่า น, นั้นเนี่ยทีแรกก็สบายนะแต่พอผ่านไปสิบนาทียี่สนาทีก็รู้สึกเมื่อยอกระดาษเศษกระดาษที่เบาไม่มีน้ำหนักนี่ครานี้เริ่ม เริ่มจะหนักแล้วจนมือสั่นเลยเหงื่อก็ออกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ผมก็ออกมาก็ทำทีเหมือนก็ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มองไปที่มือของชายคนนั้นแล้วบอกว่าอา้าวเป็นไงผู้ชายกัต้อบอกว่าหนักครับผมเมื่อยจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยอา้ไมไมวาวทำไมไม่วางมันลงซงละทำไมไม่วางมันลงเส็นล่ะ ก็ถืออย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หนักได้อย่างไรนี่พระองค์เนี่ยสอนนะนายทหารคนนั้นนะว่าอะไรนะสอนว่าแม้อะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเบาแค่ไหนถ้าถือไปนานๆก็มันก็กลายเป็นหนักได้เมื่อหนักแล้วควรทำอย่างไรก็ควรวางแต่คนส่วนใหญ่นี่ทั้งที่แบกจน นะเพียบจนจะไม่ไหวอยู่แล้วก็ยังไม่ยอมวางสถา น, นการณแบกนี้เป็นทุกข์แต่ทำไมถึงไม่วางเพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่ากำลังแบกบนะมันเหมือนคนที่ตื่นตกใจเพราะไฟไหม้แล้วก็แ บ, บกโอ่งนะโอ่งนี่มีน้ำเต็มเลยแต่ก็ยังแบกบไปได้เป็นกิโลกิโลไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกหนัก ทีแรกกันนะแต่พอหายตื่นตกใจแล้วก็จะเริ่มรู้สึกหนักแล้วสักพักก็จะรู้ตัวให้แบ่งมาทําไมนะไอ้อง์เนี่ยแทนที่จะไปหยิบเอาเพชรนินจินดาแทนที่จะหยิบเอาชโนโหนออกมานี่กลับไปแบกองค์มีน้ําเต็มออกมานี่เพราะความไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะตื่นตกใจแต่ก็อย่างที่บอกคนเราไม่รู้ตัวเพราะหลายสาเหตุเมื่อไม่รู้ตัวก็แบก และเมื่อแบกก็เป็นทุกข์แต่เพราะไม่รู้ตัวก็เลยแบกต่อไปนั่นความรู้ตัวมันช่วยทําให้เรานะรู้ว่าเนี่ยกําลังทุกข์เพราะแบกและมันช่วยทําให้เราวางได้วิชารที่สําคัญมากนะเพราะมันช่วยทําให้เราวางสิ่งต่างๆนะที่ทําความทุกข์ให้กับชีวิตจิตใจสตรีมทำให้เรารู้ทันว่ากําลังคิด<ๆ>กําลังแบกอะไร รู้แล้วก็วางพอวางแล้วใจก็เบาความรู้ตัวก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่เผลอไปแบกไปช่วยอะไรมาให้เป็นภาระกับจิตใจให้เกิดความหนักอกหนักใจต่อไปอคาว่าหนักอกหนักใจมันก็บอกในตัวอยู่แล้วว่าเป็นเพราะแบกภาษาไทยนี่มันให้ภาพที่ดีมากแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงที่หมางความทุกข์นะว่า ไอ้ที่ทุกข์เพราะว่าไปแบกจนกระทั่งเกิดความหนักหนักที่ไหนหนักที่ใจให้เราจะไม่ว่าเราจะเรียนวิชาแล้วก็ตามนะอย่าลืมนะวิชานี้นะวิชาชีวิตซึ่งบางคนก็เรียกวิาวชาตัวเบานะวิชาตัวเบาเพราะมันทาให้ใจนี้เบามันไม่ใช่เบาแต่ตัวเป็นเบาใจเพราะมีสติเพราะมีความรู้ตัว วิชานี้เนี่ยมันได้ใช้แน่แล้วก็ได้ใช้ทั้งชีวิตวิชาอื่นนะวิชาบัญชีวิชาวิศวกรรมสถาปัตต์นะวิชาท่องเที่ยวหรือวิชาแพทย์บางคนเรียนมาหกปีใช้ไปเดี๋ยวเดีก็เลิกหมอบางคนก็เปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักธุรกิจ หลายคนที่จบวิศวะมาก็ไปทํางานาธนาคารหรือว่าไปเล่นหุ้นบางคนเรียนบัญชีมาก็ไม่ได้ใช้วิชานี้เรียนมาสี่ปีทุ่มเทจนเครียดแต่ใช้น้อยมากหรือไม่ได้ใช้เลยนับเป็นความสูญเปล่ามากแต่วิชาชีวิตในะวิชาโตเบาเนี่ยได้ใช้แน่และได้ใช้ตลอดเวลาตั้งแต่ ตื่นจนหลับไม่ใช่แค่ได้ใช้ตอนที่ยังมีชีวิตสุขสบายตอนชีวิตที่มีอุปสรรคมีความยากลาบากนะเจ็บป่วยพัดพร่าสูญเสียยิ่งได้ใช้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันช่วยทําให้แม้จะเสียทรัพนะแต่ว่าใจไม่เสียสุขภาพกายไม่เสียเพราะไม่เครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ทำงานก็ไม่เสียงานเพราะว่าไม่มามัวกัดกลุ่มอยู่กับสิ่งที่เสียไปไม่เสียความสัมพันธ์เพราะว่าไม่เก็บกดไม่หดหยิดจนกระทั่งระบายความทุกข์ใส่คนรอบตัวแต่คนที่ไม่มีวิชานี้นะพอเสียทรัพย์นะก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานทำงานไม่ไหวแล้วก็เสียสัมพันธ์เสียความสัมพันธ์ ทะเลเบแว่งระบายอารมณ์ใส่คนอื่นเวลาป่วยกายก็ไม่ได้ป่วยเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ได้ป่วยแต่กายนะป่วยใจด้วยและความป่วยใจทีก็ซ้ำเติมกายให้มันหนักขึ้นที่พาะไม่มีวิชาตัวเบาไม่มีวิชาปล่อยวางนะไม่มีวิชารู้เท่าทันนะใจที่มันกำลังถูกบีบคั้นด้วยอันตรายที่ปกปิดอย่างที่ว่ามา วิชานี้นี่มีคุณค่ามหาศาลนะได้ใช้ในยามที่เกิดทุกข์ทำให้จิตนี่หลุดจากความทุกข์ได้แล้วก็ได้ใช้ในเวลาที่ใกลยย้จะตายหลายคนตายเนี่ยโดยที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ตายด้วยความทุรนทุรายมีเงินมากเท่าไหร่แต่ไม่ช่วยทาให้ตายสงบได้เลย พอเวลาตายก็ยังหวงแหนทรัพย์สมบัติยังหวงแหนมรดกยังหวงว่ามรดกนี้จะแบ่งให้ใครดีเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะทําพินัยกรรมให้กับลูกมีคนจํานวนมากนะที่ตายด้วยความทุกข์ทรมานเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่น่าพึงพอใจที่เคยให้ความสุขเช่นทรัพย์สมบัติคนรักแต่ว่าสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่บีบคั้นใจเช่นความสุกผิดความโกรธก็ปล่อยไม่ได้ตายด้วยความโกรธตายด้วยความพยาบาทหรือตายด้วยความสุกผิด อาจารย์สิงห์ทองเคยเล่าให้คุณหมออมาลามาลิลาฟังนะอาจารย์สิงห์ทองนี่ท่านก็เป็นพระที่เป็นวิปสัสสนาจารย์ท่านหนึ่งมรณภาพไปสักสาสิบปีแล้วทว่าเร า, ามีแม่ชีคนหนึ่งเนะี่ยเป็นคนที่เคร่งในศีลมากเคร่งครัดมากทีเดียวแล้ววันหนึ่งค่ะที่สักผ้าอยู่ก็เห็นหมดตายอยู่ที่กละมังลอยอยู่ในกระมังจิตใจเศร้าหมองมากเลยเสียใจเพรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำให้หมดตาย ศีลทะลุศีลบกพร่องที่จริงถ้าไม่ตั้งใจนี่ก็ไม่ไมถือว่าเป็นการผิดศีล น, นะแต่แม่เชนี่ยึดติดยึดมั่นถือมั่นในในศีลมากเสียใจนะที่ทำให้หมดตายแล้วก็คุณคิดแต่เรื่องนี้นะจิตใจเศร้าหมองแล้วก็วันต่อมาก็บังเอิญให้ตายกระทันหันเพราะหัวใจหยุดเต้นเพราะฉลา จิตสุดท้ายเนี่ยของแม่ชีเนี่ยนึกถึงไอ้มดตัวนั้นด้วยความรู้สึกผิดหม่นหมองอาจารย์สิงห์ทองบอกว่าเนี่ยไอ้มดตัวเล็กๆตัวนั้นเนี่ยมันฉุดแม่ชีไปอาบายเลยไปอาบายเลยนะเาหั้าที่เป็นคนที่มีศีลเรียกว่าพร้อมนะแต่ว่าความยึดติดในศีลรวมทั้งการไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง สิ่งที่เป็นอดีตมันก็ทําให้พาไปอบายได้เมื่อเวลาใกล้าตายเนี่ยนะต้องปล่อยวางสถานเดียวนะไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นผู้จอาตรัสว่าเนี่ยเมื่อใกล้าตายเนี่ยก็ให้ปล่อยทั้งลูกเมียผัวทรัพย์สมบัติปล่อยวางไม่ก็ทั้งสวรรค์อยากจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ต้องวางซะ อยู่กับปัจจุบันยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อจิตจะได้เป็นปกตินะก็คือมีสติในเวลาตายถ้าไม่มีสติเวลาตายมัก็ยึดโน้นยึดนี้สารพัดทั้งสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนแล้วก็สิ่งที่ไม่รักสิ่งที่บีบคั้นใจเช่นความโกรธความรู้สึกผิดและสุดท้ายก็ไปอบายนะเรียกไปไม่ดีตายไม่ดี วิชานี้ได้ใช้แน่จนกระทั่งนาทีสุดท้ายจนทั้งวินาทีสุดท้ายและถ้ามีวิชานี้นาทีสุดท้ายหรือวินาทีสุดท้ายของชีวิตจะกลายเป็นนาทีทองอาจารย์พระพุทธท่านบอกว่าเนี่ยตอนจะตายเนี่ยนาทีสุดท้ายเนี่ยคือนาทีทองเพราะว่าสามารถจะไปสุคติหรือไปยิ่งกว่าสุคติคือพ้นจากวัฏฏะสงสารได้ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวาง โดยพ่อวางนะความยึดมั่นในตัวกูของกูแต่ถึงยังวางไม่ได้ตรงนี้ก็วางทุกอย่างอย่างที่ผู้เจ้าสอนวางแม้กระทั่งภารกิจการงานนะที่เราคิดว่าเป็นของดีของประเสริฐอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งนี่ก็เป็นคนลุงละแกชอบพาคนทำบุญทำทาน ชอบพาคนไปทอดกรถินทอดพระปาฏต่างจังหวัดเพื่อสร้างบวชสร้างวิหารในวัดที่ยากจนก็ทําย่ามาหลายสิบปีแล้ววันหนึ่งแก่ก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลามเร็วมากเลี้ยตอนท้ายๆนี่แกก่อนใกลจะตายนี้แกก็มีอาการกระสับกระส่ายลูกหลานก็คิดว่าถ้าแกได้ฟังเทปธรรมพระสวดมนต์ก็จะสงบ แต่บอกว่าพอเปิดเทปเหล่านี้แล้วไม่สงบเลยก็ยังกระสับกระซาดอยู่แปลกใจมากเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดข้างเตียงบอกว่าไอ้โบส ท, ที่สร้างไม่เสร็จนะ่ะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จมาไปโดนใจแกแกนิ่งเลยนะสุดท้ายก็ไม่ไม่นานเลยนะก็ไป แล้วก็ไปสงบตอนที่แกกระซับกระซากระแกก่วงห่วงโบสที่ยังสร้างไม่เสร็จแกจะเคยรับปากว่าตายไม่ได้ถ้าสร้างไม่เสร็จไอ้ความยึดติดถือมั่นนะในโบสถ์มันก็ทําให้แกต่อสู้ขัดขืนกับความตายไม่ยอมตายสักทีพอไม่ยอมตายมันก็ทุรนทุรายเลดีนะที่เพื่อนม า, มาบอกช่วยทําให้แกปล่อยวางได้ แต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมาบอกนี่จะทําอย่างไรนะก็คงไปอาบายนะว่าเจิตสุดท้ายเป็นอกุศลนการปล่อยวางนี่สําคัญมากตั้งแต่ตั้งแต่ยังมีลมหายใจจกนกระทั่งใกล้จะหมดลมหายใจวิชานี้จึงเป็นวิชาที่เราไม่ควรมองข้ามและควรที่จะทาให้เชี่ยวชาญชํานานในจะไปสนใจแต่วิชาชีพนะ วิชาชีวิตวิชาตัวเบาวิชาปล่อยวางก็สำคัญมากเอาละชานี้ก็พูดกันเท่า น, นี้อากรับพระ